जरा प ิท ख ा व ् य ा ध ดพिทุกข ख ा म ณะพิทุกขมอภิเยห์สำพยโोกุตุขห์ปิ य ย व ि प ิพยोยกุตุ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่จากนี้ไป จะเป็นการบรรยายธรรมจากท่านพระอาจารย์ประสมทบ ป, ประกมโมวัดกลางอำเภอบางปลมาจังหวัดสุพรรณบุรีฮฮเรื่องสัมมาทิฏฐิสูตรในชุดที่สามซึ่งเป็นชุดที่สุดท้ายของการบรรยายในครั้งนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังการบรรยายได้นะปัตี้ครับกามตัห भ วตัญ ह าวิ भ วตัญ ह า इ द a ख ो प o p a n a bhikhave idam khopana b h i न h a v e ดุขนิโรธธรอริยสัจ โยต स สายะปัญหาเย่ स า स, स विराग าि र ो ध च ाโก प त ติสั्โกมุตติยานาเลโยอิดัมขโพปนบิ ดัมขพบัญทัศน์ดุขนิโร ध กามีปฏิปดาอริยสัจจมอาเยเมอริโยอัตถังกโกมโเสยยิั สมมาดิธีมมาสังคปรสมมาวาชันสมมาคัมมันโตสมมาอาจิโร เดีเริ่มขึ้นในเรื่องของสัจจวาระคือต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะว่าได้พูดยังไม่จบในการศึกษาคําสอนในทางข้าสัพเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของสัจจาวรรัคือวาระที่ว่าด้วยเรื่องของอริยสัจฉะนั้นคําว่าวาระวาระเนี่ย ให้พึงเข้าใจนะคำว่าสัจจวาวระคือวาระที่ว่าด้วยสัจจ์ถ้าอาหารวาระก็วาระที่ว่าด้วยเรื่องอาหารนยกรรมปรถาวาวระ วาระก็ที่ว่าโดยในเรื่องของกรรมบทนี้เป็นต้นนี่หรือว่าชราวาระวาระที่ว่าด้วยชรามรณวาระวาระที่ว่าด้วยมรณะเนี่ยคือแต่ละวาระวาระที่ท่านพระเถระได้นํามากล่าวโดยเฉพาะท่านภาษารีบุตรเนี่ยได้นํามากล่าวดังที่ได้กล่าวในคําสอนที่พระพุทธที่ท่านภาษารีบุตร บ, บอกว่า ยังมีอีกคูณแล้วก็ได้กล่าวว่าคุณเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดทุกรู้ชัดเหตุให้เกิดทุกรู้ชัดความดับทุกรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกเพียงเท่าเท่านี้แหละคูณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสใ น, มในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัจ ธ, ธรรมนี้แล้วเนี่ยเออถ้าไปดูในสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ทรงสแสดงนั้นนะนะ อย่างตัวอย่างเช่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพร่พาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์เหนือ ทุกขาริยรสัจจานั้นเขามีอัด4ประการนะดังที่บันทึกไว้บนกระดานที่บอกว่าประการแรกจะบอาปีรณโถเนี่ยปีรณะถาปิรณโถหรือปีรณะเนี่ยปิรณะในศับสับนั้นเขาแปลว่าเบียดเบียนกนนยัซึ่งหวังให้เห็นใจว่ากองทุกเนี่ ย, ยถ้าไปพิจารณาถึงกองทุกขทั้ง1 1บเอ็อซิประการเนี่ยกล่าวคือชาติทุกข์ชราทุกขมรณะทุกขโสกะปริเทวะเป็นต้นเนี่ย ลองไปดูไปพิจารณาดูดีว่าจะเห็นว่าเขาเบียดเบียนขนาดไหนเนี่ยในกองทุก12ประการที่บอกชาติที่ทุกนี่ความบังเกิดขึ้นของสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นน่ยอุบัติเกิดขึ้นในไหนบอกว่าอุบัติเกิดขึ้นในวัตฏสงสารเนี่ยที่วนเวียวนเวียนวนไหวตายเกิดอย่างนั้นเขาเรียกชาติที่ทุกใช่ไหมส่วนชรลาทุกอันมีลักษณะทําให้อินทรีย์ข้ามค่าวิกลตวิการต่างๆอย่างเนี้นะ ในขณะที่เราไปกำเนิดตามภพภพูมิต่างๆนั้นน่ยก็ทําให้อินทรีย์ทั้งหลายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นต้นนั้นวิปริตพยาธิทุกข์ก็มีลักษณะป่วยไข้ลําบากมีเวทนาต่างๆทุกขเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะมรณทุกข์ก็มีลักษณะเป็นตัดเสียซึ่งชีวิตตินทรีย์ทั้งหลายให้ขาดสะบั้นลงไปอย่างนั้นเขาเรียกว่ามรณะทุกข์ทุกข์คือความตาย โสกะทุกข์ก็คืออันมีลักษณะให้เดือดร้อนพรุ่นคลานละสัมระสายอยู่ภายในเนี่ยในขณะที่เดือดปุ ด, ปดอยู่ภายในอย่างนั้นเขาเรียกโสกะปริเทวะก็มีลักษณะให้ร้องไห้มีน้ําตาไหลออกมาโฟมปายออกมาเนียออ่ยน้ำลายไหลออกมาอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าล้นออกมาทุกขะอันมีลักษณะทําให้จิต ห, หัวถูเกิดการละทศทางด้านจิตใจนะจากการถูกกระทบกระทัง่ง ส่วนโทมานัตนั้นก็คืออันมีลักษณะให้น้อยเนื้อต่ําใจขัดเคืองต่างๆนเนี่ยนะถ้าอุปายาตหรืออุปายาสะทุกก็อันมีลักษณะทําให้สะอื้นอะไราว่างั้นอะไราทําให้หมดเขาเรียกหมดอาาะไรใจอยากส่วนอปิเยหีสัมปโยคะทุกก็คือลักษณะทําให้ขัดข้องมองตรงใจวะงั้นเหตุที่ประกอบด้วยสิ่งอันไม่ได้เป็นที่รักเป็นต้น ปีเรหิวิปโยคทกก็คือว่ามีลักษณะให้เศร้าโศกในการเมื่อพัดภาคจากสัตว์และสังขารในเป็นที่รักทุกอันเป็นให้ที่หมนมองมีวุ่นวายใจเป็นต้นปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ได้สิ่งนั้นน่ยท่านว่าเป็นโทุนั์นลักษณะในลักษณะนั้นเขาเบียดเบียนก็ปีรณปีรณในศัพท์นั้นก็แปลว่าเบียดเบียนมองเห็นไหมว่าการเบียดเบียนในเวลาทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันเบียดเบียนในลักษณะเช่นนั้นเพราะการที่เราศึกษาอริยสัตว์เนี่ย สัจจะคือความจร MM ิงของพระริยเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าสัจจะนั้นก็คือว่าสภาพของธรรมที่เป็นจริงสภาพของธรรมที่เป็นจรงิงสันตัรรจจาน่ะมีจริงหรือแน่แท้ไม่แปรปล่วนอีกอย่างหนึ่งคําว่าสัจจะมีสถาถามบอกว่าสัจจะนี่มีสภาพอย่างไรถ้าจะถามกันอย่างนี้เนี่ยก็ต้องว่าสัจจะเพราะมีสภาพเที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นความทกุกข์ในเที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นนะเขลียดให้เกิดทุกข์ในเที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นนะ ความดับทุกข์นี่ก็เที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นนะข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็เที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นนะเนี่ยบีบคั้นบุคคลผู้มีทุกข์การบีบคั้นเนี่ยเขาบีบคั้นด้วยทุกขะทุกไอ้ทุกขะทุกนี่ก็เลยทุกแท้จริงเนื้อสังขาระทุกนี่เป็นทุกปรุงแต่งวิปริณามทุกนี่กลุ่มพวกนี้คือทุกแปรปวนถ้าทุกขะทุกนี่ทุกกายทุกใจเนี่ยเทาอว้ยทุกจริงจริงสังขารทุกทุกปรุงแต่งนั้นก็ ก่อเพื่อให้เกิดรูปนามเกิดแต่กรรมทุกที่ปรุงแต่งอุตุจิตและอาหารต่างๆเหล่านั้นนะนะทุกที่มันปรุงแต่งให้อุตุเกิดขึ้น <c oughs> คือความเย็นความร้อนเกิดขึ้นในสรีละและนอกสรีละเนี่ยโดยเฉพาะท่านในสรีระเนี่เห็นช่ไทุกที่ปรุงแต่งจิตแต่ชรูปรูปที่เกิดจากจิตเนี่ย <c oughs> มันปรุงแต่งเกิดขึ้นหรือที่เกิดจากกรรมเป็นต้นเกิดจากอาหารเป็นต้นน่ยนะถามว่ากว่าจะได้มาต้องปรุงแต่งอย่างมาก ยังมีประกอบอีกคำหนึ ing, ia, ism, ่งที่ว่าสังคตโธเป็นปัจจัยประชมุมปรุงแต่งอะไรเงี้นลักษณะของทุ ก, กประการหนึ่งกองทุกนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอํานาจของตัณหาเนี่ยใช่เป็นปัจจัยประชุมแต่งขึ้นเป็นปัจัยประชุมแต่งขึ้นประชุมแต่งแสดงให้เห็นว่ากองทุกนี้บังเกิดขึ้นด้วยอํานาจของตัณหาเป็นตัวประชุมแต่งขึ้นมาเนีไอ้ที่เราได้กองทุกก้อนนี้มาเนี่ย ได้ตาอย่างนี้ได้หูอย่างนี้ได้ปากอย่างนี้ได้ลิ้นอย่างนี้ได้กายอย่างนี้ได้ผมขนเล็บปันอย่างนี้ได้สรีละขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยอะไรเลยเป็นตัวประชมปรุงแต่งมาตันหาเป็นตัวประชมปรุงแต่งมาเะฉะนั้นคําว่าประชมปรุงแต่งเนี่ยต้องเข้าใจนะมันเป็นมาจากคําว่าสังขารทุกเนี่ยประชมปรุงแต่งมาสังขารทุกเนี่ยปรุงแต่งอะไรลักษณะยินดีใช่ไหม ยินดีตาปรุงแต่งเลยไหมเวลาทํากรรมก็ปรุงแต่งไหยปรุงแต่งที่จะให้ได้ตามีเป็นต้ น, นประการต่อมาก็คือประการที่สมาจากคาว่าสันตาปโธหรือสันตาปณะอนะ่ะอย่างนั้นเกี่ยวกันในเรื่องความเดือดร้อนสันตาปะสันตาปะเนี่ยเดือดร้อนมีลักษณะของทุกเนืเพราะปีรณะมีเป็นสภาพของความบีบคั้นเลยไหมอัดโโธคือสภาพอยู่แล้วปีรณะคือความบีบคั้นนี่ถ้าปีรณะปีรณะโโธหรือปีรณะถะเนี่ย ก็คือว่ามีสภาพบีบคัน้นถ้าพูดกันให้ชัดเกี่ยวในเรื่องของในแง่ของทุกในข้อเนี้ดูตรงไหนดูตรงว่าบุตรผู้เกิดในคันของหญิงเข็นใจนางหนึ่งอยงถามว่าเป็นผู้ถูกโรคต่างๆบีบคั้นเสมอถามว่าย่อมบีบคั้นมารดาได้ทุกบํา ร, รุงรักษาเสมอการที่บุตรเช่นนั้นเกิดในคันของหล่อนเนี่ยเหมือนดังทําหน้าที่บีบคั้นหล่อนชั้นใดอเออธรรมะคือจัก กคือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็ถูกชรามรณะบีบคั้นเสมอฉันนั้นเหมือนกันนึงเออจะพิจารณาอย่างนี้เห็นไหมการที่มีตาถามว่าก็ถูกชรามรณะบีบคั้นเสมอย่อมบีบคั้นบุคคลผู้พร้อมด้วยการมีตาเพราะมีตาก็คือการมีทุกข์ใช่ไหย ม, มีทุกข์ก็ต้องบํารุงรักษาเนี่ยมีเป็นอย่างนั้นพระุทธเจ้าบอกดูก่อนพิสุทธิ์ดูก่อนภิสุทธทั้งหลาย ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ปรากฏขึ้นของตามีอยู่นี้คือความเกิดขึ้นของทุกข์ความตั้งขึ้นอยู่แห่งโรคความปรากฏแห่งชราเมรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นตั้งอยู่ปรากฏของโสตะของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเนี่ยเป็นข้อบ่งบอกว่าเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราคือความแก่มรณะ คือความตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกว่าความเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้น เ, นเกิดขึ้นมาแล้วก็การประชุมกันเกิดขึ้นของอะไรของทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นก็ต้องมีชลาใช่ไหมชลาก็มีวรณะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นปรากฏนี่เป็นอย่างนี้นีน่เขาเรียกว่ า, านเบียดเบียนว่าไงส่วนสันตาปัททะหรือสันตาสันตาปัโธเนี่ยสภาพเล่าร้อนก็ได้ เดือดร้อนก็นด้สภาพเล่าร e. ้อนก็ดีเดือดร้อนก็ดีเนี่ยร้อนยิ่งกว่ายิ่งด้วยไฟยิ่งด้วยไฟสิบอกองมีราคะเป็นต้นเนีพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรตรัสบอกว่าจักษุเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนเล่าร้อนด้วยอะไรเล่าร้อนด้วยเล่าร้อนด้วยราคะเล่าร้อนด้วยโทสะเล่าร้อนด้วยโมหะเล่าร้อนด้วยชาติคือการเกิดเล่าร้อนด้วยชรลาคือความแก่ เร่าร้อนด้วยมรณะคือความตายใช่ไหมเร่าร้อนด้วยความโศเร่าร้อนด้วยความขรั่มควรลำคันเร่าร้อนด้วยความทุกข์เร่าร้อนด้วยโทมนัสเร่าร้อนด้วยความแค้นใจโสตาคานะโสตาก็เร่าร้อนคานะก็เร่าร้อนชิวหาก็เร่าร้อนกายยะก็เร่าร้อนใจนี้ก็เร่าร้อนว่าไง เร่าร้อนด้วยความด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกโศกะปริเทวทุกขะโทมนาาัสสะอุปาญาตเนี่ยเร่าร้อนด้วยทุกขิ1เกองเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียวกว่าสันตาปะสันตาปณะนะเร่าร้อนหรือบางศัพตร์ท่านใช้คําว่าปริไทัยหณนะร้อนลนด้วยมีความหมายเหมือนกันกับคําว่าเร่าร้อนนั่นเลยร้อนจริ ง, รงๆเออไเนะีย การเกิดในร้อนแต่หลายๆคนมองว่ายังไม่ค่อยเห็นร้อนเท่าไหร่บางที่ร้อนไม่ใช่ร้อนเพราะเราร้อนในอากาศร้อนแต่เงี้คนละร้อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นมันร้อนเป็นปกติแต่ร้อนจริงๆไงมึงทั้งวัวกองทุกทั้งปวงนั้นจะทําให้สัตว์เดือดร้อนละสัมะสายเพราะเหตุให้สัตว์ทั้งหลายนั้นมัวเมาประมาทอยู่ ไม่อุตสาหะปฏิบัติตามมรรคสัตย์ใช่ไหมคือไม่เจริญมรรคลรอบรมมรรคไม่เจริญศินสมาธิปัญญาเลยว่าไงสมาทิที่นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วสมาทิฐิเป็นต้นจนถึงสมาสมาธิเป็นปริโยสาศรเนี่ยถ้าสัตว์ทั้งหลายอุตสาหะปฏิบัติตามมรรคสัตย์จะอยู่แล้วเนี่ยกองทุกทั้งปวงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อะ่างงี้นี่เพราะไม่ปฏิบัติตามะนะ ก็อดทนทุกข์กันไปก็พอทนได้เพราะอริยมรรคในเบีบคั้นบุคคลที่ยิ่งยิ่งด้วยกองทุกข์เนะียถามว่าการบำเพ็ญบา ร, รมีมาช้านานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเนะี่ยและทุกข์ที่เจริญภาวนามีความหมดจดแห่งศีลเป็นต้นในชาติสุดท้ายเนะี่ยทั้งในสภาพแปรปัวและเกิดดับเสมอดังนั้นอริยมรรคนั้นนะ่ยควรนับเข้าในทุกขสัจจะเพราะมีสภาพบีบคั้นถามว่าได้ไหมท่านบอกไม่ได้ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นเพราะอริยมรรคแนะ น, นา นำออกจากความสงบจากกองทุกเนะีฉะนั้นก็คือคล้ายๆว่าเหมือนถ้ากลุ่มบุคคลที่รู้เรื่องได้ดีเนี่ยนะจะเจริญอบรมเพาเห็นความเร่าร้อนของกองทุกเนี่ยนะแต่เราเห็นเราเห็นภัยเฉพาะหน้าปรากฏอยู่อย่างเงี้ยทุกคนต้องดิ้นรนที่จะหนีแต่ในปัจจุบันนี้คนมันไม่เห็นทุกเนะี่ยถึงจะปากจะบอกร้องว่าร้อนจังทุกจังเดือดร้อนกระวนกระวายจังเนี่ยแต่ว่าโดยมากก็ไม่พยายามที่จะดิ้นรนกัน นี่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเร่าร้อนไม่จริงคือเร่าร้อนจริงๆนี่นแหละแต่ว่าแก้ทุกข์ไม่ถูกประการที่สามเออประการที่สี่คืออะไรวิปริณามัะโถวิปรินามะเอวิปริมาอินามะนี่เขาแปลว่าไงเขาแปลว่าแ ป, ปรปลวนนั้นแสดงให้เห็นว่ากองทุกข์ทั้งปวงนั้นน่ะมีชาติที่ทุกข์ชาราทุกข์เป็นต้นเนะียจะทําให้สัตว์โลกทั้งหลายะวิปริตต่างๆนั้นก็เพราะว่าเหตุที่ยัง มิได้สําเร็จถามว่าตราบใดที่ยังไม่ได้สําเร็จยังไม่สามารถจะทํานิโรธสัจจะให้เป็นอารมณ์หรือเข้านิโรธหรือมีพระนิพพานได้เข้าถึงพระนิพพานได้ตราบใดก็ยังต้องแปลปวนอยู่นั่นเลยเขาบอกท่านผู้มีวาสนาบา ร, รมีเนะี่ยมีปัญญาแก่กล้าได้สําเร็จเป็นภรริยะบุคคลเป็นภาริยาผลนะมีพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วกองทุกข์ทั้งปวงก็จะสิ้นสูญไป ก็แปลว่าถ้าหากเป็นพระอรหันต์เสียได้เมื่อไรเนี่ยก็แปลว่าท่านผู้นั้นน่ยจบกิจแล้วมีเป็นอย่างนั้นเออถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยถามว่าในกลุ่มของทุกเนี่ยทุกขสัจเนี่ยนะถามว่าอะไรละเป็นทุกขสัจทุกกายทุกใจก็ถามว่าทุกขอริยสัต์อันแท้จริงนั้นก็ได้แก่เลยถ้าพูดถึงตัวสภาพจริงๆคือกลุ่มของโลกิยธรรมใช่ไหมกลุ่มของเจตสิกหรือว่ากลุ่มของเจตสิกห้เว้นโลภะเนี่ยเนื แล้วก็อินทรียพัทรูปรูปที่เกิดอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนะี่ยอย่างเนี้ถือว่าเป็นทุกข์ที่แท้จริงไงนะเพราะว่าในกลุ่มของสภาพของทุกขะอริยสัตว์เนี่ยสัจจะที่เป็นความจริงของทุกข์นะั้คือขันหา้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเนี่ยลักษณะตัวนี้นี่แหละคือเป็นทุกขโลกิยธรรมที่เกิดขึ้นดําเนินไปอยู่อย่างต่อเนื่องบีบคั้นยิ่งด้วยสังขารทุกข์และก็ย่อมเกิดขึ้นดําเนินไปเนี่ย ให้ได้รับความเร่าร้อนต่างๆเนี่ยนะให้เป็นไปในวัฏฏะตลอดกาลนานฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าเป็นความทุกข์อภิการต่อมาคือทุกขอริยสัจนะถามว่าจะรู้ชัดในทุกขอริยสัจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดได้อย่างไรทุกขอริยสัจในที่นั้นท่านหมายความว่าเหตุเหตุให้เกิดทุกข์เหตให้เกิดทุกข์คืออะไรเล่าคุณตัณหาที่เกิดในพบใหม่ไปด้วยกันกัน ความกำหนัดความด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในสภาพนั้นๆในสภาพนั้นๆคืออะไรบอกว่าคือกรมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหายัยไหมทีนี้นี้เรียกว่าเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์นี่เขาเรียกทุกขะสมุทัยแล้วหลหรอคุณวะถ้าพูดถึงทุกขะสมุทยโย อ, อริยสัจจ์เนี่ยอริยสัจจะคือเหตุแห่งทุกข์น่ยทุกขสมุทัยก็คือ เหตุเกิดของคลองทุกข์กาวคือว่าเหตุทําให้พบน้อยพบใหญ่เนี่ยอุบัติเกิดขึ้นใช่ไหมพบน้อยพบใหญ่ที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาได้นั้นก็คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บอกดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขาสมุทยาอาริยสัจเข้าใจใช่ไหมคําว่าทุกขาสมุทยาอาริยสัจคือตัณหาใ น, นเลงตัณหาทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจของความเพลินมีปกติเพลินในอารมณ์นั้นๆ กามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาอย่างนี้เขาเรียกตัณหาสามอยู่ไตัณหาสในสภาพของตัณหาทั้ง3ามเนี่ยเขาบอกว่าเหตุให้เกิดทุกเนี่ยนะทุกขสมุทัยเนี่ยถามว่าหมายถึงอะไรบอกว่าเหตุให้เกิดทุกอา่าและส่วนอีกในหนึ่งว่าสภาพทําให้เกิดทุกเสมอสภาพของเขาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทุกเสมอหรืออย่างหนึ่งว่าสภาพที่ทําให้ทุกนั้นจเจริญ จเจริญเสมอถ้าตราบใดถ้ายังมีเหตุอยู่ทุกก็จะต้องเจริญขึ้นตาก็จะต้องเจริญหูก็จะต้องบางคนบอกดีสิตามีตามไม่ใชตาก็จเจริญขึ้นจเจริญแต่มันจเจริญแบบการมีตามันไม่ใช่เจริญแบบว่ามีตาแล้วมันดีมีตามันแบบว่ามันจะต้องทุกเพราะตามีหูจะต้องไปทุกเพราะหูมีจมูกก็ต้องไปทุกเพราะจมูกคือตราบใดไ ม, มไม่ว่าจะได้เกิดที่ไหนที่ไหนก็จะต้องมีตาที่จะต้องดูแลตา มีหูจะต้องดูแลหูมีจมูกจะต้องดูแลจมูกนะึงถ้าในกลุ่มของบุคคลที่เขาเบื่อลูกเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปมีลูกร้อยคนบางคนเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ลองไปดูพวกหนูดิหนูตัวหนึ่งมีลูกเกินร้อยเนอะจริงไหมจริงคือจะต้องไปคลอดลูกอย่างนั้นเนี่ยคลอดออกระทีนี่เป็นฝายยงใหญ่เลยว่าไ น, นเนี่ยว่าหนูเลยยังถือว่ายังยังยังน้อยหน่อยถ้าไปเทียบกับพวกกบเทียบกับพวกปลา พวกกบ ก, บกบก็ดีพวกปลาก็าดีหรือพวกเต่าเนี่ยบางทีไปปล่อยไข่ออกมาแต่ละทีในถามว่าจะต้องทรมานปานใดถ้าหากบางคนเนี่ยนะเคยเห็นกลุ่มของสัตว์ปีละฉานที่เขาทุกข์เพราะไอตัวสมูทัยมันสภาพทําที่ทําให้เข้าถึงนเนี่ยเนยมันต้องเดินทางก็บอกเต่าบางตัวเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเดินทางในการที่จะไปสผสมพันธุ์เพื่อจะออกไข่เนี่นี่ยหลายสิบยอดหลายหลายสิบยอดเนี่ยยอดเนี่ยสิบหกิโลเมเป็นร้อยยอดก็มี เพราะําได้ขนาดนั้นเนอะคือจะต้องมีความจำเป็นอย่างดีอ่างนั้นนะเนอะพวกกลุ่มเต่าทะเลทั้งหลายเนะี่ยเวลาเขาไปก็จะไปตามทะเลใช่ไหมแล้วเขาจะย้อนกลับมาที่เดิมอะคือที่ที่จะต้องไปวางไข่มาก็ปีนึงจะต้องกลับมาครั้งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเขาจําได้เนาะนอกนั้นก็จะออกไปหากินถามว่าจะต้องทุกข์ปันใดทุกข์ในกา ร, ท, กการที่จะต้องมีทุกข์เป็นสภาพเนี่ยหรือว่าทําทุกข์ให้เจริญขึ้นมา คือทําให้ขันมันจเจริญขึ้นมาด้วยสภาพของปัญหาเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะเขาบอกว่าทุเพราะการอุ้มขันมาเนี่ไม่ใช่น้อยทั้งผู้หญิงผู้ชาย เ, ยเคยอุ้มเงินมาทั้งนั้นเลยถึงบอกว่าแล้วเราตลาบใดที่เราจะต้องไปทํากรรมที่จะต้องไปอุ้มหรือจะทําให้คนมาเกิดในขันเนี่ยว่าจะทุกสักปันใดก็ว่ากันไปถึงบอกถ้าหากว่าเกิดเป็นกลุ่มของสัตว์เดรัจฉานเนี่รู้จะเห็นชัดนเนะห็น่อยเห็นเพราะว่าอยู่ใกล้มนุษย์หน่อยแต่บางคนดูแล้วสวยงาม ท่านั้นการที่ว่าทุกขสมุทัยนั้นก็คือมีสภาพเขาเรียกว่ารวบรวมมอบให้ผูกมัดแล้วก็รบกวนอ้ถ้าดูสภาพเข้านะอายุหานโถเนี่ยจะเห็นนะอายุหานโถนี่คืออะไรเขาบอกประมวลมาตันหานั้นเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าหมูจะพูดถึงว่าเป็นเจ้ากรมใหญ่ๆเป็นกระทรวงใหญ่ๆไหมยิ่งกว่ากระทรวงเลยนะตันหานี่ยเขาประมวลมาหรือว่า เป็นพนักงานตกแต่งซึ่งกองทุกเอต้พูดงี้ชัดดีไะนั้นตัณหานี่เป็นพนักงานตกแต่งกองทุกเลยว่านั้นเลพนักงานก็เห็นพนักงานดีก็ทํางานทำอะไร ต, ต่างๆเลยนี่เนี่ยพ น, น am, พนักงานทำทำตึกพนักงานทําั๊กรถทําบ้านทําอะไร ต, ต่างๆก็ เ, เห็นใช่ไหมทำถ น, นนเนี่ยนั่นแหละคือตัญหานั่นแหละตัณหาเป็นพนักงานตกแต่งกองทุกทั้งมวลเลยไม่เลือกหน้าเลยเนี่ยกองทุกให้แกสัตว์ทั้งปวงเนียประมวลมาซึ่งกองทุกให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้นา ตัณหานั้นถ้าว่าโดยสังเขตมีอะไรอัตัถะตัณหาประการหนึ่งปรัตถะตัณหาประการหนึ่งอัตถะปัญหานี่ยคืออะไรปราถนาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองใช่ไหมตัณหาที่ปราถนาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองจะให้ตนเองนั้นประสบได้ทรา์ได้บริวารมาเป็นของของตนอย่างนี้เขาเรียกว่าตัณหาที่เป็นไปในส่วนตนใช่ไหมส่วนปรัตถะตัณหาเนี่ยคือปรารถนาจะช่วยบุคคล ที่ตนเองรักตนเองที่เป็นญาติเป็นมิตรเหนนะืคิดวางแผนคิดการต่างๆฉะนั้นสภาพของตัณหาถ้าแบ่งอะแบ่ง2กลุ่มนี่แหละกลุ่มนี้เพื่อประโยชน์แกตนเองอย่างหนึง่งเพื่อประโยชน์แกกลุ่มบุคคลที่ตนเองรักนั้นส่วนหนึ่งดิ้นรนกันไปนั่นแหละเขาเรียกว่าจะละเอียดจะหยาบยังไงก็นั่นแหละตัณหานั่นเองเป็นตัวประมวลมามอบให้อ่างั้นผูกมัดด้วยนะมอบอะไรให้เอาตัณหามอบกองทุสมอบประกายุตรรยบัตให้ เอาเอาไปยอมพิจตาเนี่ยเอาไปยอมสุริตาเอาไปยอมถุริตาเอาไปแต่เอาไปแล้วต้องไปแก่เนอะเอาไปต้องไปเจ็บนะเอาไปเพื่อจะไปตายเนี่ยเรารู้จักหน้าตาเขาทีมีทุกข์ทุ่งไปอย่างงี้ยอริยอัสัตเป็นอย่างเงี้ยอตัวสมุทรไทยคือเขามอบทุกข์ให้เขาทําให้ทุกข์เจริญขึ้นเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ๊ะขอมีตายกี่ชาติก็าบอกถ้าข้าพเจ้าถ้าถ่าข้ายังทราบยังมีอยู่ตราบใดเนี่ย ก็จะต้องมีก็จะต้องมีตาอยู่ลำๆไปอยู่เรื่อยไปมีไปเอาสิอยากจะมีใช่ไหมอยากจะเรียนนะพี่ทําให้จบวงนะี้เอาที่อยากเรียนก็ไดนะ้แต่ต้องมีตาเนะียต้องมีหูนะีต้องมีจมูกต้องมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนีน่าขอบคุณเขานะทําให้เราเรารู้ว่าทำหมดแต่ถามว่าจริงๆเป็นงั้นไหมขณะศึกษาพระธรรมไปศึกษาไปโกรธไปเนะียวะศึกษาไปโกรธไปเพราะเขาผูกมัดนี่ใช่ไหมผูกมัดไว้ด้วยมั่นคงในกองทุกข์ด้วย มัไว้ทุกจุดเลยชนิดที่ว่าไม่มีให้กระดิกได้เลยว่างั้นเด้อเห็นอะไรชอบไป น, นั้นเห็นอะไรไม่ชอบไป น, นั้นก็ว่าไปประการต่อมาคือนิทานนโถเขาเป็นเหตุนิทานนโถนี่เป็นเหตุก็คือว่าแสดงให้เห็นความเห็นชัดคือกองทุกนั้นจะมีสัรพสัตว์ทั้งปวงนั้นเองเนี่ยอาศัยแก่ตันหานี่เป็นเหตุมีเหตุคือตันหามีตันหาเป็นเหตุแล้วก็สําหรับแต่ที่จะทําให้เกิดผลกล่าวคือกองทุกเท่านั้นนะ ถามว่าการที่จะมีชาติทุกทุกเพราะการเกิดชราทุกทุกเพราะความแก่มรณะทุกทุกเพราะความตายเป็นต้นได้นั้นเน่ยครบตัณหาไว้ไม่สร้างเหตุคือตัณหาเขาไว้ไม่ผิดหวังองนั้นในกลุ่มเราบางคนบอกถ้ามีตรงนี้รับประกันได้ไม่ผิดหวังแต่กินยาขนาดนี้ไปไม่ผิดหวังมีเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเขามอกไปเอ่ประกันต่อมาคือว่าสังโยคัตโถอันนี้คือประกอบประกอบอคําว่า ประกอบในที่นั้นก็หมายความว่าแสดงให้เห็นว่าตัณหาประกอบสัตว์เข้าไว้เหมือนโยคะโยคะนะเขาแปลว่าประกอบสภาพของตัณหาเขาประกอบเบ็ดเสร็จรถยนต์คันนึ่งเนี่ยนะยอมตุวเวลาเวลาในกลุ่มที่ดูพระเนี่ยคนที่เขาดูพระเนี่ยเขาต้องดูองค์ประกอบไหมต้องดูองค์ประกอบอยู่ไหมจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเนในกลุ่มของบุคคลผู้ดู วัตถุเก่าวัตถุโบราณทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบดูว่าเ อ, องค์ประกอบต่างๆเหล่าเนี้ยว่ามีกี่อย่างใช่ไหมเขาจะมีจุดมีองค์ประกอบในการที่จะดูคือว่าทีนี้ถ้าขาดองค์ประกอบไปแสดงว่าไม่สมบูรณ์ใช่ไหยสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ <c oughs> ทีนี้ในเกี่ยวกันในเรื่องของสภาพของตันหาเนี่ยมันไม่ใช่ประกอบแล้วประกอบเหมือนว่าอย่างรถคันนี้ประกอบเป็นรถขึ้นมาทีนี้ขันขันนี้ที่ประกอบขึ้นมาเนี่ย ทำให้ประกอบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนะประกอบดีบ้างไม่ดีบ้างไงนะสภาพของตัณหาบวกกรรมนี่แหละแล้วแต่จะบวกกรรมประเภทไหนนั่นแหละก็ประกอบมาให้เสร็จเสร็จทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะประกอบให้สัตว์นั้นแหละติดไว้ในวัตตะติดอยู่ในวัตตะออกจากวัตตะไม่ได้ออกจากวัตออวตะไม่ได้เลยทําให้จะต้องอยู่ในวัตตะอยู่ในกามมาพบรูปพบอารมณ์พบ ไม่สามารถที่จะออกจากภพออกจากภพภูมิได้นี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าประกอบสัตว์ไว้ไม่ให้สัตว์นั้น่ะหมดราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่ได้เห็นพระนิพพานธรรมว่างั้นเนอตันหาจึงประกอบสัตว์ไว้ด้วยอํานาจของตนได้ทําให้สัตว์นั้นเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏสงสารไม่ให้สิ้นนะโดยไม่สิ้นสุดว่างั้นเนอเพราะเหตุที่ว่าสัตว์นั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งพระนิพพาน สัตว์ใดยังไม่รู้แจ้งนิพพานยังไม่เข้าถึงนิพพานก็ตั้หานี่ก็ประกอบสัตว์ไว้ให้อยู่ในวัตทุก์ประการที่สี่เป็นอะไรนะปริโพทัตโถเป็นเครื่องกังวลเตรียมตุยจัดไว้เลยเนะี่ยเป็นเครื่องกังวลแสดงให้เห็นชัดบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุกข์สกามกิเลสกรรมเนี่ยกังวล เ, เพราะว่าสัตว์เหล่านั้นหรือสัตว์โลกเหล่านั้นนั้นไม่ปฏิบัติไปตามหลักอริยมคือไม่รู้จักอริยสัตว์นะ่ย ไม่รู้จักอริยสัจจริงๆไม่เข้าใจชัดในอริยสัจเมื่อไม่เข้าใจชัดเนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงความเห็นถูกต้องและเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้หรือเข้ามาสู่พระสัจธรรมเข้ามาสู่โลกุตละธรรมเนี่ยก็จะต้องกังวลอยู่เลย ลองคิดดูเดี๋ยวกังวลพ่อบ้านกังวลพ่อทำงานกังวลเพราะจะต้องกลับไปทางสวนตัดหญ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยมีผมกังวลเพราะผมมีขนกังวลเพราะขนมีเล็บกังวลเพราะเล็บเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องกังวลอยู่ตลอดเวลานีมีเสื้อผ้าไม่ได้ซักตัวเดียวกังวลอีกแล้วเขาเรียกปริภูดจริงๆตัณหาเป็นเครื่องกังวลจริงๆเพราะมันยังอยากที่จะใส่เพราะมันอยากที่จะกินเพราะมันอยากที่จะสบาย มันก็เลยต้องกังวลหมกมุ่นอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้ศาตว์นั้นไม่ได้ปฏิบัติในอาริยมรรคเลยใช่ไมไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะออกจากวัตตะออกจากกองทุกข์ได้รบกวนอยู่ตลอดเวลาขัดขวางด้วยการห้ามเหตุแ ห, ห่งการหลุดพ้นจากกองทุกข์จนได้ว่างั้นคอยรบกวนคอยตอกย้ำอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวสมุทัยเป็นอย่างนี้นะรบกวนตลอดเวลาเลย บางครั้งเนี่ยเนะี่ยทํำท่าจะไปได้ดีแล้วตั้งจิตดีแล้วเอ้าวมีกังวลขึ้นมาอีกแล้วไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทําไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทําจะต้องไปไประชุมซะอีกแล้วเนี่ยเนะี่ยจะต้องไปโน่นไปนี่อีกแล้วเอาอีกแล้วอ้าววันนี้มีงานแต่งว่ันนี้ไอ้จะปฏิบัติอยู่แล้วต้องยืมไปแต่งงานอยูนแล้วไปงานแต่งว่างานวันเกิดบ้างอะไรบ้าง บางทีบอกเดี๋ยวอคนก็อยากจะดูของเก่ายอ ย, ยมตัว่าต้องกลับไป้แล้วเนี่เป็นเครื่องกังวลจริงๆบอกเขาอยากจะดูว่าเขาก็ดูเสร็จแล้วเอาตัดเครื่องกังวลได้เอาตัดน้อยเอามาศึกษาพระธรรมต่อเหมือันนี้ก็บอกว่าก็ให้สังเกตดูเถบางทีถ้าตัณหานี่ยมันใช้เราเนี่ยโอ้มันใช้จังเลยข็น่า จ, จะตายแล้วยังใช้อยู่เป็นเครื่องกังวลจริงๆพอหมดประโยชน์แล้วเขาไม่ค่อยใช้นะ แต่ถ้าหาว่ามันยังมีประโยชน์อยู่โอ้ยเขาใช้ว่ามงกลอก็ยังไปเผลอว่าโอ้ยเรามีข้าวเรามีคน ค, ค่ามากไปที่ไหนมีคนจะต้องมาปรึกษาต้องอะไรต่างๆมากมายแต่ที่ไหนนะ้คือยังยังแก้กังวลเขาได้บ้างคือเขายังกังวลเรื่องอะไรใช่ไหมถ้าเขากังวลเรื่องดนตรีอะถ้าไปบอกเรื่องดนตรีก็เขาได้เขาชื่นใจแ่่ถ้ากังวลเรื่องคอมพิวเตอร์สมัยปัจจุบันเนี่ย เขาก็บอกวิธีการแก้เครื่องกังวลก็ได้ก็เออเขาก็พอใจถามว่าพอใจแล้วอยู่แค่นั้นไหมไม่เลยเพราะเขาอยากจะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเขาก็ไปหาบุคคลที่ว่าจะสนองความกังวลคือคนที่ไปแก้ให้ก็กังวลคนที่ถูกแก้ก็กังวลสรุปแล้วก็คือว่ารบ ก, กวนกันอยู่ล่ามปลายเถอะ น, นคือมันยังไปด้วยอนาจของปัญหาใช่ไหมทุกไม่ยองโซเลยเห็นนี่มเห็นไห ม, หไห ม, หไหมสมุทรไทยเป็นนี้ถ้าตราบใดถ้าเท่าอยาง เขาถามว่าเขาต้องการงานท่านหัตถกรรมใช่ไหมงานด้านฝีมือแรงงานแรงต่างเข้าไปเจ้ามือด้วนนี่เราก็าไม่เอาแล้วเพราะว่ากลุ่มหัตถกรร ม, มหรือถ้ากลุ่มในด้านของไอ้ศูจิ ก, กรรมเป็นต้นไอ้กรรมเกี่ยวในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเป็นต้นเนี่ย เขาบอกเขาต้องการว่างั้นนะเขาก็บอกว่าจักพังแล้วเงี้ยเขาเขาก็ไม่รบกวนหรือเข็มไม่มีอย่างงี้ได้ไม่มีอย่างเงี้เป็นต้นเขาก็ไม่ต้องมารบกวนหรือวพวกโครักกร ร, กก ร, รมทศสมัยก่อนจริงๆคืองานพวกปศุสัตว์ทั้งหลายพวกเลี้ยงโครหรือพวกไอ้พวกไอ้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโคทั้งหลายเนี่ยคือมันยังเป็นมันรบกวนอยู่ตันหาก็ทําให้เราเหนื่อยประกอบไหมประกอบประกอบการทํากรรม ตัณหาเกิดขึ้นมันบวกกับตัณหาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพูดตามภาษาในปัจจุบันเขาบอกว่าเซนมั่วเป็นนายประกันไอ้ตัณหาเนี่ยตัณหาเหมือนนายประกันเนี่ยเอาผ้าผูกตาแล้วเซนตะพืชเขาให้เซนอะไรเซนแต่เซนแต่ละครั้งนี่เขาตัดหูบ้างตัดขาบ้างตัดแขนบ้างฆ่าบ้างอะไรบ้างทั้งนั้นเอาชีวิตเป็นประกันดังนั้นเนี่ยที่เราไปเซนเป็นนายประกันเนี่ยย้อมต๋ยเข้าใจเขาว่าไปเซนเป็นนายประกันไหม เวลาเราทำกรรมอยูม่มะทำกรรมเพื่อจะเกิดเนี่ยก็เหมือนว่าทำกรรมด้วยหน้าของปัญหาเหมือนเราไปเซ็นเป็นนายประกันก็เป็นนายประกันพอเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องถูกลงโทษเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกลงโทษใช่ไหมเราเซ็นหลับตาเซ็นมั่วละมาไปเซ็นไปไปเซ็นเขาไว้ปุ๊บเนี่ยนะต่อไปก็โอ้โหแต่เนี่ย บอกว่าเกิดไปแล้วจะต้องไปโดนรอบฆ่ารอบสังหารโดนยิงตายเขาเรียกหลับตาเซนเน่ยหลับตาเซนเซนแล้วยังไม่หยุดเซนนะเนทุกวันเนี่ยทุกวันยังไปเซนอยู่น <weed> ั่นแหละเขาให้เซนอะไรเซนหมดเพื่อจะไปรับโทษเซนเพื่อจะไปรับโทษก็ยอมอถามว่าถ้าเขารู้เนี่ยใช่ไหม แล้วปัจจุบันที่รู้โดยปริยัติเนี่ยยังอ ย, งอยากจะเซนไหมตอนนี้ยังอยากจะไปเซนไหมเอาเซนเขาจะให้เขาไปฆ่าบอกเอาถ้าเซนครั้งเนี้ยจะต้องไปมีลูกห้าคนคือคนอีห้าคนเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ต่อไปคุณจะต้องไปสมมติเป็นลูกคุณจะต้องยึดเป็นลูกคุณจะต้องเลี้ยงดูให้เขาอย่างดีว่างั้นนึงเพราะคุณเซ็นรับรองเขาไว้แล้วอต่อไปคุณจะต้องไปเซนคนนี้เป็นภรรยา แล้วเขาจะต้องไปรับผิดชอบเอาต่อไปคุณจะต้องไปเซ็นอย่างนี้ว่าเป็นคุณเรื่ต้องยื่นขอทานนะคุณจะต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วคุณจะต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นเอาเซ็นลงบัตรทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็เห็นว่าบุคคลที่เกิดมาและเราที่เกิดมาเลื่นเด็กเคยเซ็นในอดีตทั้งนั้นเลยแต่ทุกวันก็ยังไม่หยุดเซ็นกันอยู่เซ็นใหญ่อยอมไปเซ็นเลือกเซ็นนี่อย่างเซ็นมอบมอบเซ็นมอบล่างนี่อย่าง บอกเซนต่อไปจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเซนต่อไปจะเกิดเป็นสัตว์นรกเซนต่อไปจะเกิดเป็นเปรตเซนต่อไปจะเกิดเป็นอสุรกายเซนต่อไปจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดา<ม>เพื่อจะไปรับผลกรรมนั้นๆๆเรียบร้อยนะ <c oughs> นี่ก็เรืยอตัณหาตัณหาเป็นอย่างนี้นะอต่อไปไปดูบอกว่าตัณหาได้แก่โลภะเจตสิก เขาเรกทกข่าสมุททยาอริยสัจจะอย่างแท้จริงได้แก่ตัณหาคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตทั้งแปดดวงแล้วแต่จะใครจะเซนประเภทไหนดูน้ำคือตัณหาอันได้แก่โลภะเจตสิกที่อยู่ในโลภะมูลจิตแปดนั้นเน่ะพระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นสภาพธรรมที่ควรประหารนะควรที่จะลาเสียเขาเรียกทุกข์ขาวสมุทโยปหาตับโพอ่ะ ควรจะประหารควรจะละอย่าให้มีจำตุ้ยเตรียมละได้เนะี่ยตั้งใจยังไงยังไงละถ้าละไม่ได้ เ, เราเซ็นมั่วนเนี่ยอัดต่อไปไปดูอัดของทุกขนิโรธดูนิโรธทัศน์จะก่อนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัตว์คือตัณหานั่นแลดับโดยไม่มีเหลือด้วยอริยมรรคคือวิราคะสระสละคืนปล่อย ไปไม่พัวพันทุกขานิโรธเนี่ยหมายความว่าอริยศยาสต ร, ร์คือความดับทุกข์ทุกขานิโรธคืออะไรคือความดับทุกข์ในวัตตะดับดับทุกข์ในกามะภพดับทุกข์ในรู ป, ประภพดับทุกข์ในอารมะภพเนืกล่าวคือความหมดสิ้นหมดสิ้นไปด้วยสภาพที่ไม่เกิดอีกหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกทุกขานิโรธก็คือทำที่ดับทุกข์เน่ย ดาวคือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความดับทุกข์ในวัตตะกับธรรมเป็นที่ดับทุกข์เนี่ยเออถ้าพูดถึงในเรื่องของพระนิพพานนี่เป็นทุกขานิโรธโดยสภาพสี่อย่างเนียคือมีสภาพออกไปสงัดไม่ถูกปรุงแต่งแล้วก็ไม่ตายสภาพของนิพพานหรือนิโรธเนี่ยนะมีสภาพออกไปหมายความว่า มีสภาพหลุดพ้นด้วยนิสรณนาวิมุตต์นิสรณนาวิมุตต์คือการหลุดพ้นด้วยการออกไปออกไปจากไหนออกไปจากใครยอมตัยนิพพานออกไปจากไหนออกไปจากขันออกจากตาออกจากหูออกจากจมูกออกจากลิ้นออกจากกายออกจากใจถามหน่อยว่าปัจจุบันออกจากตาได้ยังถ้าหมดตาในภพนี้ยังจะต้องไปแสวงตาในภพใหม่หม อย่างนี้เขาเรียกว่าออกจากตาไม่ได้ถ้าออกจากตาได้ออกจากหูออกจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจเองนะออกจากอายตนะทั้งหกหรือออกจากอายตนะทั้งหมดหมดออกจากธาตุออกจากขันออกจากรูปนามได้อย่างนี้คือมีสภาพที่ออกไปเขาเรียกว่านิสสารณาวิมุตตหลุดพ้นด้วยการออกไปเขาบอกการหลุดพ้นด้วยการออกไปนั้นเป็นชื่อของ พระนิพพานเป็นชื่อของนิโรธทศ จ, จักรนี่คืออย่างนี้นี่คือคําว่าสภาพของการออกไปอีกคํานึงท่านบอกว่าสงัดก็ได้สงัดจากปริพเทืคือทุกในวัตฏะทั้งหลายตราบใดถ้าเรายังไม่สงัดออกจากความกังวลใช่ไหมความกังวลมีอยู่เขาเรียกไม่สงัดไม่สงบจริงๆนะแต่การออกจากวะตะัตฏะเนี่ยเราจะออกจากเครื่องกังวลหมดเลยนะ เราจะสงบจะเย็นลราเที่ยวไปแบบนั้นตอนนี้ยังไม่สงบคําว่าไม่ถูกปรุงแต่งหมายความว่าปราศจากสังขารทุกข์ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมด้วยจิตด้วยอุตุด้วยอาหารใช่ไหมตราบขันเนี่ตาเนี่ยมีตาอยู่โคลงถูกปรุงแต่งจากอะไรบ้างกรรมปรุงแต่งตาได้ไหมจากครูประสาทเกิดจากกรรมใช่ไหมจิตล่ะปรุงแต่งตาได้ไหม เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีจิต ด, ดีไม่ดีใช่ไหมทำให้ตาทำให้ตาเป็นไปได้อาหารปรุงแต่งตาได้ไหมเห็นไหมอุตตุความเย็นความร้อนฉะนั้นเนี่ยนิพพานไม่มีสิ่งที่จะต้องไปปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยเหล่านี้นะย้ะำตัวให้ศึกษานิพพานในปริเฉดที่หกมาดีไหมศึกษามาดีไหยนิแปลว่าพ้นวานนะหมายถึงตัณหา ใช่ไวานะเนี่ยเป็นชื่อของเครื่องร้อยรัดกล่าวคือตันหาก็เด็กนิวานัตนะก็คือพ้นจากเครื่องร้อยรัดคือพ้นจากตันหาฉะนั้นคือไม่ถูกทำอีกอย่างหนึ่งคือไม่ตระไม่ตายปราศจากความทุกข์คือความตา ย, น, ยนี่เป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าสภาพของทุกข์นิโรธหรือตนออกนะหรือตนออกพานิพานเนี่ยนะ ให้พ้นจากวัตตะมาจากคำว่า น, นิสรณโถหรือตนเองออกออกจากวัตตะทุกออกจากกองทุกออกจากขันเนี่ยอปริโพทัตโ ถ, ถหากังวลไม่ได้คือไม่ต้องกังวลด้วยอานาจของกิเลสกรรมและ ว, วัตถุ ก, กรรมอีกแล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วอสังคตัตโถหาปัจจัยประชุมปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็ อมตะโถก็คือเป็นอมตะธรรมคือความที่ไม่รู้ตายเอ๊ะทำไมจึงไม่ตายถ้าพูดตรงนี้ได้ไหมเพราะไม่มีการเกิดใช่ไหมเมื่อไม่มีการเกิดจึงไม่มีการตายตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่การตายจะมีไหมถ้ายังมีการเกิดอยู่ไม่ต้องพูดถึงการตายย่อมมีแน่นอนที่จริงอ น, นิโรธธรรมดาเขาเรียกกันก็มีเยอะนะยังตัวทีเคยได้ยินศัพท์คํานี้ไหมคําว่าตาทางคนิโรธ ใครได้ยินคำนี้มหมเขาแป ล, แลว่าอะไรตาทั้ง ต, ต, ตทางขั้นนิโรธเนี่ยเขาก็มาเรียกเหมือนกันนะภาวะที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสที่ถูกประหารด้วยกรามมากุศลคือในขณะที่มหากุศลและจิตเกิดขึ้นลกิเลสได้ขณะหนึ่งไหมเป็นนิโรธได้ขณะหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกตาทางขั้นนิโรธเหมือนกันนี้แต่เป็นนิโรธสามัญ น, นะไม่ใช่นิโรธในอริยสัจนะ อันนี้ให้เข้าใจศัพท์นิโรธให้ถูกทหารใช่ดับอันนี้ดับแบบไม่ดับชั่วขณะแต่เขาเรียกนิโรธสาวมันท่านเรียกนิโรธสาวมันแต่ไม่ใช่อรินิโรธาอริยสัตว์เขาคํำว่านิโรดนิโรธเนี่ยโดยศัพท์ว่าแปลว่าดับอย่างสมมติว่าไฟดับแล้วก็จุดขึ้นมาใหม่ ก็ให้เข้าใจไงว่าอย่าไปค้านมาทำการมาทนั่นแหละคือแต่ทางข่านิโรธเนเขาเรียกนิโรธสามันเพราะว่าในขณะที่กุศลเกิดขึ้นในขณะที่ปารกวิปัสนา พิจารณาสังขารธรรมโดยความเป็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาในขณะนั้นเนี่ยเขาแปลว่าการกิเลสได้ชั่วขณะดหนึ่งหนึ่งในขณะนั้นชื่อว่าจะทางฆนิโรธใช่ไหมเหมือนสับสับหนึ่งที่ในขณะที่สามารถที่ไม่มีนิวรธรรมด้วยอํานาจของการเจริญฌานให้เกิดขึ้นมาได้อันนั้นท่านเรียกว่าวิขำพนนิโรธ คือการว่าดับด้วยการข่มไว้จะบอกว่าเขาไม่ดับไม่ได้นะ่ะท่านไม่ดับไม่ได้เพราะบางองค์ในบางท่านเนี่ยดับได้เป็นกับกับกิเลสไม่เคยเกิดเลยนะกับกับหนึ่งเนี่ยหรือมหากับหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างสี่พันเ่ยยกตัวอย่างรือว่าแปด0มืนสี่พันมหากับที่เนว่าสัญญานาสัญญาญตนาพบไปเกิดอยู่เนี่ยถามว่าแค่ไหน ถ้าไม่เรียกว่านี้รอสามัญล้วจะเรียกยังไงนี่เขาเรียกข่มไว้ใช่หมนี่โางทีต้องรู้จักว่าสามัญเป็นยังไงอริยสัจเป็นอย่างไ ร, ร, น, งไรนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตทางหนือวิขมพนะนิโรธความไม่มีภาวะแห่งที่นิวรธรรมนั้นเกิดขึ้นโดยถูกประหารด้วยมหาคตะกุศลทีนี้ถ้าสมุดเฉทานิโรธเนี่ย อันนี้หมายความว่าภาวะที่กิเลสนั้นได้ถูกประหารไปด้วยมรรคกุศลแล้วปัตติปัตสัตทินิโรธก็คือความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที่ถูกประหารด้วยอริยผลถ้าขณะนิโรธหรือขณะนิโรธานี่คือขณะของจิตเจตสิกนี่เป็นอย่างไ น, นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นนิโรธในนิพพานนะแต่ว่า นิโรธอริยสัจจะ ก, ก็จะแก่พระนิพพานนะทั้งสะอุปาทิ่เสศานิพพานและอนุปาทิ่เสศานิพพานนี่เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจตรงนี้ทุกขานิโรดนี้นะพระนิพพานนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นสภาพธรรมที่ควรทําให้แจ้งในขันธสันดานเขาเรียกว่าทุกขานิโรโทสัจิสัจิกาตพภะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทุกขนิโรธนะะคือความดับทุกความดับทุกในวัตตะรมเป็นที่ดับทุกแล้วก็เพราะมีสภาพออกไปสงัดไปไม่ถูกกลุงแต่งแล้วก็ไม่ตายนะให้เข้าใจคำคำนี้ให้ดีนี่คือทุกขนิทุกขนิโรธแต่ที่นิโรธสามัญ น, นั้นไม่ใช่นะ องเอานี้โลดที่เป็นอริยสัตว์ดังที่ได้กล่าวนี้เท่านั้นน่นะสังัดก็หมายถึงสังกัดจากเครื่องกังวลทั้งหลายดังที่ได้กล่าวนี่นี่เป็นนี้อภิการต่อมาคืออะไรอริยามารตมีองแปดใช่ไหมอริยมรตมีองแปดคืออย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออะไรเราคุณอริยอัสดางขีฆมรต นี้แหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดําริถูกต้องสัมมาวาจาการกล่าววาจาถูกต้องเป็นต้นสัมมากรรมตาสัมมาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิความตั้งมั่นถูกต้องเนี่ยอย่างนี้เป็นอริยมรรคมีมีองแปดเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นี่คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาและแล้วคูณ เมื่ออริยาสาวกรู้ชัดทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับทุกอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละอวิชาได้โดยประกาศและทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้นวิชาในที่นั้นคือปัญญาเป็นต้นในอรหัตธรรม เป็นผู้ทาที่สุดแห่งกองทุกในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตว์ธรรมนี้ดังนี้เนี่ยนะในทุกคานิโรทคามินีปฏิปทาเ็าเรียกว่าทางแห่งความดับทุกเนี่ยนะคือธรรมที่ทำให้บรรลุ ค, ความดับทุก คำว่าปฏิปทาคืออะไรยมตุยปฏิปทานี่คืออะไรอา้าวปฏิปทาคานี้คืออะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของปัญญาเห็นชอบเป็นต้นใช่ไหมเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยถาม่าแล้วคำว่าทุกขานิโรธคาม่นีปฏิปทาปฏิปทาที่ทำให้บรรลุ ค, ความดับทุกข์นั่นเนี่ยฉะนั้นคำว่าปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัติเนี่ยที่พึงดําเนินไปด้วยการกระทําให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของตนเป็นข้อปฏิบัติถามว่าอะไรคือข้อปฏิบัติอริยมรตมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกต้องเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านี้ควรควรให้เข้ามาอยู่ในกระแสจิตของตนไหมควรให้เข้ามาอยู่ในกระแสจิตของตนเหมือนกันนะ ถ้าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเนี่ยยอมตุยรู้จักกรรมสากกตาสัมมาทิฏฐิใช่ถ้ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอยู่ในตนอยู่ในหนังสือแต่ไม่มาอยู่ในกระแสจิตของตนจะปฏิบัติในจะเข้าใจในกรรมและผลของกรรมไหมเพราะอยู่ในหนังสือหรืออยู่ในบุคคลอื่นใช่ม h e n ความเห็นถูกต้องในเรื่องกรรมและผลของกรรมต้องนาเข้ามาสู่ กระแสจิตของตนเองเมื่อกระแสจิตของตนเองมีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีแล้วการปฏิบัติออกมาทางกายทางวาจาทางจิตใจแล้วจะได้ปฏิบัติกรรมได้ถูกต้องว่าจะปฏิบัติกรรมอะไรที่จะเป็นปัจจัยให้พ้นจากเขาเรียกว่ากรรมกรรมดำให้วิบากดำนี่กรรมขาวให้วิบากขาวเนี่ยกรรมทั้งดาและขาวให้วิบากทั้งดาและขาวค่าเข้ า, ขากันไปเนี่ย ถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมได้แก่อะไรอริยมรตมีองแปดใช่ไหมนี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเนี่ยมีโพธิปกักยธธรรมนั่นเองก็คืออริยมรตเพราะเป็นปัจจัยเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะที่จะให้ออกจากอะไรออกจากกองทุกข ฉะนั้นในขณะที่เราเข้าใจกรรมดีเราก็จะรู้ว่าเอ๊ประพฤติกรรมอย่างไรฉะนั้นกรรมมาสกตาสัมมาทิฏฐินั้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกนะถ้าเราทํากรรมดำเพราะอากุศลกรรมทั้งหลายใช่ไหมให้วิบากไหมวิบากดำโอ้โหทรมานมากประพฤติกรรมขาวเอากำรรขาวมาสู่เข้ากระแสจิตของตนเองก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดากรรมไม่ดําไม่ขาวก็ที่ได้รับกันอยู่เยอะแยะค้าเข้ากันไป เออกรมกำทั้งดำทั้งขาวถ้ากรำมไม่ดำไม่ขาวอันเนี้ยคือเข้าใจในเรื่องกรำเขาเรียกมีกรร ม, มาสกตาสัมมาทิฏฐิได้ถูกต้องก็รู้ที่จะประพฤติกรมที่ไม่ดำไม่ขาวเพราะต้องการที่วิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเพราะจะได้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่สิ้นกรำเลยยุ่งเลยเีลยทำนิร้ายก็ไม่หมดตาสักทีทำนี้ร้ายก็ไม่หมดหูสัทีอนนี้ บางคนไปเข้าใจเอ๊ะถ้าจะไปให้หมดตาเดี๋ยวก็จะต้องเริ่มหูหูไม่มีตาไม่มีไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันไม่มีก็คือแปลมันไม่มีพร้อมกันหมดเลยใช่มหมลองตัวเอาไว้ได้สมมุตินะปฏิบัติไปบอกว่าเป็นเหมือนปลาใครเคยทํานาไหมเคยทํานาเคยเจอปลาที่เป็นเชือเเช้อโรคติดเชื้อโรคไหม บางทีหัวหัวแทบขาดแล้วแต่ตัวยังอยู่ยังวิ่งไปได้วิ่งอยู่ในน้ำํำร้อนๆอุ๊ร้อนก็ร้อนบางทีตัวขาดไปครึ่งนึงเนื้อตัวยังอยู่ยังไปได้มันโดนยาไงโดนยาเจอน้ําเป็นพิษเป็นแรงต่างไม่ตามคลองเน่ยตามแม่น้ําได้จีนเนี่ยเคเห็นไหมอุ้ยลอยพุ่งไปหมดแต่ยังไม่ตายนะแขเต็มไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครกินเลยนะเพอไม่มีใครกินก็ต้องทรมานนานเลยนะ ใช่ไต้องไปดูที่ช่วงที่ปลาเป็นโรคทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละมันไม่ได้พ้นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันก็กรรมเล่นงานแล้ว <c oughs> การเกิดเป็นทุกข์จริงบางคนุยเดี๋ยวนี้เขามีธุรกิจอย่างหนึ่งนะธุรกิจเลี้ยงปลาธุรกิจเลี้ยงปลาปลาบางตัวราคาเป็นหลายๆพันตัวเล็กๆเนี่ยปาโชว์ทั้งหลายอย่านึ ก็ปฏิระชานแพงขนาดนะั้นอบายยาศาตร์มีแพงนะยังต้องจ่ายแพงขนาดนะั้นเยจะเอาอบายยาศาตร์มาไว้ที่บ้านยังจ่ายแพงปันนั้นเ น, น, นะจะเอาบายยาพูมาดูเพื่อตอนเองมีอัธยาศัยโอ้โหยังยังยังต้องจ่ายแพงขนาดนะั้นไม่ไหวนี่เป็นงี้เนะี่ยเขาเรียกปฏิปทาฉนั้นทุกขันยิโรทักามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุความดับทุกเนี่ย อเยมักมีองแปดนั้นเป็นทางแห่งความดับทุกข์ด้วยสภาพอย่างไรคือด้วยสภาพออกไปเป็นเหตุรู้ทั่วแล้วก็เป็นใหญ่ประการแรกก็คือว่านำตนออกไปจากพบบุคคลอันเป็นสัตว์บุรุษเนี่ยนะถามว่าจะข้ามมหาสมุทรเนี่ยก่าวคือวัตฏสงสารทั้งหลายนั้นเน่ย จะข้ามได้โดยอาศัยมารกษัตริย์นะฉะนั้นมารกษัตริย์นี้เป็นสำเภาธรรมก็เรียกเป็นสำเภาทองก็ได้เหมือนกับเรือเรือทองนะลำใหญ่เลยว่างั้นนะเหมือนเรือหลวงก็ได้เรือหลวงลำนี้ไม่เอียงไม่โครงด้วยนะไม่จมด้วยไม่ถูกไม่แตกไม่ทําลายด้วยนะสภาพเรือสำเภาทองลำนี้ เป็นสภาพที่มั่นคงแน่นหนาเขาเรียกว่าทนทานยิ่งนะถึงลมพายุจะพัดแกอะไรต่างๆยังไงก็ไม่โยกไม่คลอนเลยหรองั้นถตไม่หวันไหวไม่สะเทือนไม่สะทานเลยเขาถึงเปรียบมกรรักกรสันเนี่ยนะเปรียบเสมือนกับสำเพาทองเมื่อไรนะเราจะได้ขึ้นสำเพาทองคำนี้เสียทีไปแล้วโหยพายุมาจากทิศทั้งสี่ มาจากทิศทั้งแปดหรือจะเจอขึื่นเจอหาดเจออะไรต่างๆอย่างไรก็สามารถที่จะไปได้วยความปลอดภัยเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วย่างนั่นนงเพราะเมื่ อ, อไรล่ะเราจะข้ามเลยข้ามโลกียะมหาสมุทคือสมุทที่มันมหาสมุทรที่เป็นไปในวัฏฏะที่เป็นไปในกายมรรครูปภพและอารมภพเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยถ้าใครโดดขึ้น อยมรรคได้สัมเภาทองลำนี้ได้ในปัจจุบันคนนิยมจะาขึ้นเรือนะแท น, นถ้าเห็นเรือเมื่อไรก็ให้นึกถึงเรือสัมเภาทองคืออรลยมรรคเลยนะถ้าเห็นไปวัดไหนวัดไหนเห็นก็เก็บเรือเข้าไว้วันนี้เมื่อไรนะเราจะมีสัมเภาทองลำใหญ่ว่างั้นเนยกาวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาส ม, มาธิอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยว่าเป็นสัมเภาทองขึ้นไปนั่งแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคพยานอันตรายทั้งหลายเพื่อที่จะเข้าถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานได้เนี่ยอย่าไปตรึกเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ก็เดี๋ยวไม่สามารถที่จะออกจากวัตฏะออกจากกองทุกข์ได้คือไม่สามารถที่ผ่านพ้นชาติติทุกชราทุกขมรณะทุก ได้ใช่ไหมถามว่าในทะเลใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าในยุคโบราณจริงๆเต็มไปด้วยผีเสื้อน้ําและปลาร้ายทั้งหลายนะมากมายจริงๆนะเนีแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มโจรสลัดทั้งหลายเน่ยมันจะต้องปล้นต้องอะไรต่างๆแต่ถ้ามีสมเพาทองลํานี้แล้วไม่ต้องกลัวกล่าวคือว่าราคะโทสะโมหะนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเกี่ยวกันในเรื่องของ กิเลสทำทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะกันสำเภาทองหรือเก่ากรรมการเรือรำนี้ได้ว่างั้นเนี่ยโรกิยะส ม, มาสมุติเนี่ยเป็นสภาพที่ลึกยิ่งนักงงลึกจริงๆเรือสำเภาลำอื่นเนี่ยไปนี่ล่มหมดแล้วถามว่ามีบรรดาผู้ที่ต้องการจะพ้นจากกองทุกข์กันสักกี่คนมาก